สองร้อยสี่สนอุเขปนิยกรรมมกถาว่าด้วยอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติ415ภิกษุทั้งหลายเนืงนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัติแล้วไม่ปรารถนาเห็นอาบัติถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ต้องอาบัตแล้วไม่ปรารถนาจะเห็นว่าเป็นอาบัตเอาละพวกเราจะลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุรูปนั้น แล้วพร้อมเพียงกันโดยไม่ชอบธรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยทมปฏิรูปแล้วลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแก่ภิกษุรูปนั้น แล้วพร้อมเพรียงกันโดยทมปฏิรูปลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแก่ภิกษุรูปนั้น